จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกทานวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ก้าสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสแปดเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาหาที่พึ่งทางใจเพราะว่าการทำมาหาตินของเรานี้หาที่พึ่งได้เพียงร่างกายแต่สิ่งที่เราหามาได้แม้ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองบุคคลต่างๆสิ่งของต่างๆมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถ เป็นที่พึ่งของใจได้ไม่สามารถมาปกป้องคุ้มครองรับษาใจไม่ให้ทุก์ไม่ให้วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆได้แต่ถ้าพวกเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจเราจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจิตใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เดือดร้อน กับเหตุการณ์ต่างๆที่เราจะต้องประสบพบเห็นกันในชีวิตนี้การเข้าวัดจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เข้าวัดกันอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อที่จะได้มาสร้างที่พึ่งทางใจมาสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มีเกิดขึ้นมาสู่ในใจของพวกเรา พระพุทธธรรมประสงค์นี้ถ้ายังอยู่เข้าเง่าใจของเราอยู่ยังไม่สามารถคุ้มครองเราได้เราต้องน้อมเอาพระพุทธธรรมประสงค์เข้ามาสู่ใจของเราวิธีที่จะน้อมพระพุทธธรรมประสงค์เข้าสู่ใจของเราเราก็ต้องศึกษาให้รู้จักว่าพระพุทธเจ้าเป็นคือใคร พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระอริยสงสารุท่านทำตัวอย่างไรถึงได้เป็นพระอริยสงสารเพราะว่าการที่จะสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เข้ามาสู่ใจได้ต้องสร้างด้วยการปฏิบัติเอาตัวอย่างของพระพุทธเจ้าเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอา ตัวอย่างของพระ อ, อริยสงสาวกมาเป็นแบบฉบับมาเป็นครูเป็นอาจารย์ถ้าเรามีครูมีอาจารย์แล้วเราปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูอาจารย์เราก็จะได้รับผลทางพระพุทธศาสนาเราก็จะมีที่พึ่งทางใจถ้าทางโลกเราไปเรียนหนังสือเชื่อฟังครูบาอาจารย์ เราก็จะได้ปริญญากันนี่คือสิ่งที่เราต้องมีคือมีครูมีอาจารย์มีตัวอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญและป้องกันความทุกข์ความเดือดร้อนใจต่างๆไม่ให้เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของพวกเรา เราต้องศึกษาภรพพุทธประวัติทำความรู้จักกับพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเป็นใครท่านปฏิบัติตัวอย่างไรจึงทำให้ท่านเป็นที่พึ่งของสารโลกได้แล้วเราก็ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าท่านสอนให้เราปฏิบัติอย่างไร ถึงจะทำให้เกิดมีที่พึ่งทางใจขึ้นมาแล้วเราก็ดูตัวอย่างของพระอริยสงสาวกทั้งหลายที่ก่อนที่ท่านจะเป็นพ้าอริยาสาวกท่านก็เป็นเหมือนพวกเราที่ปราศจากที่พึ่งทางใจแต่พอได้พบกับพระพุทธเจ้าก็ดีหรือได้พบกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ดี ก็เกิดศรัทธาเห็นการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาก็พยายามปฏิบัติตามพอปฏิบัติได้แล้วก็จะได้ที่พึ่งทางใจขึ้นมานี่คือเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสาระที่พึ่งทางใจของพวกเราตอนนี้ยังไม่ได้เป็นที่พึ่งทางใจเพราะยังไม่ได้อยู่ในใจของเรา ยังอยู่ข้างนอกอยู่เช่นอยู่ในหนังสือพระธรรมคาสอนก็อยู่ในหนังสือพระพุทธเจ้าก็อยู่ในในพับพระประวัติหรืออยู่ตามวัดเช่นอยู่ตามสาราตามโบสคือพระพุทธรูปต่างๆพระอริยสงสาวกก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเรา แต่ยังไม่ได้เข้ามาสู่ใจของพวกเราเหมือนกับยารักษาโรคเวลาที่เราไปซื้อยามาถ้าเรายังไม่ได้รับประทานยาก็ยังอยู่ภายนอกของร่างกายยาก็จะไม่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราให้หายไปได้ถ้าเราไม่รับประทานยาแต่ถ้าเรารับประทานยา ยาก็จะเข้าไปสู่ร่างกายแล้วก็จะไปทำลายเชื่อโรคต่างๆที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บพอเชื่อโรคถูกทำลายไปหมดร่างกายก็หายเป็นปกติฉันใดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆของพวกเราจะหายไปได้ก็ต่อเมื่อเราน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ เอาแบบฉบับข อ, ของการปฏิบัติของพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวอย่างเอาแบบฉบับของพระอริยสงฆส์มาเป็นตัวอย่างท่านปฏิบัติอย่างไรท่านทำดีคิดดีพูดดีท่านทำบุญละบาปชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์พวกเราก็ต้องทำแบบท่านถ้าเราทำบุญ อย่างวันนี้เรามาทำบุญกันเอาเข้าวของเงินทองต่างๆมาแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ไม่มีเช่นพระภิกษุสา ม, มเณรท่านต้องรออาศัยการทำทานการทำบุญจากพวกท่านท่านจึงจะมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งห่มไว้สวมใส่การที่เราแบ่งปัน ของต่างๆนี้ให้แก่ผู้อื่นเป็นการทําบุญทําบุญแล้วก็จะทําให้ใจของเรามีความสุขถ้าไม่ทําบุญนี้ใจของเราจะไม่มีความสุขเหมือนกับไม่ได้รับประทานยาถ้าไม่ได้รับประทานยาใจของเราจะกะังวนกังวายกระสับกระส่ายอยู่ไม่เป็นสุข มีความอยากต่างๆคอยมารบกวนใจของเราอยากได้สิ่ง น, นั้นอยากมีสิ่ง น, นี้อยากจะไปที่นั่นอยากจะมาที่นี่อยากจะไปเที่ยวอยากไปทำอะไรต่างๆแต่ถ้าเรามาทำบุญการทำบุญของเรานี้จะเข้าไปกําจัดความอยากต่างๆทาให้ใจของเรามีความสุขความอิ่มความพอ ทำให้เราไม่ต้องดิ้นเดินไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเรานี่คือการทำความดีที่เกิดจากการทำทานการทำความดีอย่างอื่นก็มีเช่นการรับใช้หรือช่วยเหลือผู้อื่นรับใช้บิดามารดาปยาุยญาตายายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณของพวกเราถ้าเราสลับเวลา แทนที่จะเวลาไปเที่ยวไปเล่นตามความอยากเราเอามาเอาเวลานี้มาดูแลผู้มีพระคุณของพวกเราไปเยี่ยมเยียนมีข้าวมีของอะไรก็ซื้อติดไม้ติดมือไปแล้วไปถึงถ้ามีอะไรที่จะช่วยท่านได้ก็ช่วยช่วยกวาดบ้านช่วยถูบ้านช่วยซักผ้าช่วยทำอะไรต่าง ที่คนสูงอายุจะทำไม่ได้หรือทำลาบากทำแล้วเราจะมีความสุขมากกว่าการไปเที่ยวไปเล่นไปทำอะไรต่างๆนี่คือเรื่องของการทำความดีจะทำให้เรามีความสุขใจแล้วจะทำให้เราไม่วุ่นวายใจไปกับความอยากต่างๆนอกจากนั้นก็ ส, สอนให้เราไม่ทำบา ไม่กระทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ควรกระทำก็คือบาปและอบายามุขต่างๆบาป ก, ก็คือ 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดประเวณี 4. การพูดปดโกหกหลอกลวงแล้วก็ 5. คือการเสพอบายามุข ค, คือสุรายาเมาเที่ยวกลางคืน เล่นการพนันคบคนไม่ดีเป็นมิตรความเกลียดแคน้นนี่คือสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เราควรจะเลิกถ้าเรามีความเกลียดแคน้นเราก็จะเอาความขยันเข้ามาทาลายอย่าอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆอย่าปล่อยให้เวลาอันมีค่าของชีวิตของเราผ่านไปโดยไม่ได้ทำประโยชน์ เราสามารถทำประโยชน์ได้ตลอดเวลาให้กับชีวิตของเราถ้าเราอยู่เฉยๆไม่รู้จะทำอะไรก็ดูซิว่าในบ้านนั้นสกรปรกหรือเปล่าเสื้อผ้าสกรปรกหรือเปล่าเรียบร้อยหรือเปล่ามาซักเสื้อผ้ามากวาดบ้านถูบ้านมาจัดบ้านให้สะอาดเรียบร้อยบ้านที่สะอาดเรียบร้อยก็จะน่าอยู่ จะไม่ต้องออกไปเที่ยวข้างนอกกันที่เราอยู่บ้านไม่ติดพราะเห็นบ้านแล้วมันรกดุงมลังเต็มไปด้วยข้าวของต่างๆแล้วเราไม่มีเวลามาจัดการมาจัดระเบียบให้มันดูดูสวยงามน่าอยู่กันเราจึงอยากออกไปข้างนอกไปตามร้านค้าต่างๆที่เขามีการจัดข้าวของให้เป็นระเบียบ ถ้าเรามาจัดบ้านเราให้เป็นระเบียบเราก็จะมีความสุขอยู่กับบ้านของเราเราก็ไม่ต้องออกไปนอกบ้านถ้าเราจัดบ้านเสร็จยังไม่รู้จะทำอะไรเรามาฟังเทศฟังธรรมก็ได้หนังสือธรรมะเปิดอ่านก็ได้หรือถ้าเราอยากจะปฏิบัติธรรมก็นั่งสมาธิไปก็ได้ทำอะไรก็ฝึกเจริญสติ พูดโทพูดโทไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องราวต่างๆพอคิดแล้วก็จะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาพอเกิดความอยากก็ต้องเดือดร้อนไปทําตามความอยากทําตามความอยากก็ต้องใช้เงินใช้ทองทํากันเ <c oughs> งินทองก็จะล่อหลอไปเรื่อยๆแทนที่จะเก็บเงินเก็บทอง ไว้ใช้ในสิ่งที่จาเป็นพอถูกความอยากเรียกร้องขึ้นมาก็เลยต้องใช้ให้ไปทำตามความอยากพอเงินหมดก็ต้องเดือดร้อนต้องไปกู้หนี้ยืมสินถ้าหาเองไม่ได้หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไปรักขโมยไปทำบาป ท, ทำกรรมเพราะเราไม่รู้จักวิธีใช้เวลาของเราใช้เงินทองของเราให้เกิดประโยชน์ ถ้าเราใช้เงินทองตามความอยากนี้มีเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เพราะเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดเห็นรองเท้าเห็นเสื้อผ้าเห็นกระเป๋าเห็นของเล่นเห็นโทรศัพท์มือถือเห็นอะไรจีปาทะอยากได้ไปหมดทั้งที่ได้มาแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เราดีขึ้นแต่อย่างใดไม่ได้ทำให้เรารวยขึ้นแต่อย่างใดแต่กลับทำให้เราจนลงไปเรื่อย ดังนั้นเราต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้เงินอย่าไปใช้ตามความอยากให้ใช้ตามความจาเป็นถ้าเราอยากจะได้อะไรก็ให้ถามว่าถ้าไม่ได้มาแล้วจะตายหรือไม่ถ้าไม่ตายก็แสดงว่าไม่จำเป็นก็อย่าไปซื้อเก็บเงินไว้ดีกว่าเงินสำคัญกว่าเพราะเวลาเกิดจำเป็นจะต้องซื้ออะไรที่จำเป็น จะได้มีเงินซื้อไม่ต้องไปขอขอยืมเงินหรือไปขอทานจากผู้อื่นถ้าเรารู้จักควบคุมการใช้เงินไม่ใช้ตามความอยากเราจะเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วพวกเราที่ไม่ได้เป็นเศรษฐีกันก็เพราะว่าหยุดใช้เงินไม่เป็นใช้เงินเก่งแต่หาเงินไม่เก่งพวกเศรษฐีนี้เขาหาเงินเก่ง แต่ใช้เงินไม่เก่งเพราะเขารู้จักควบคุมการใช้เงินทองของเขาให้อยู่ในความจำเป็นเท่านั้นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ซื้อเก็บเงินไว้เงินมันงอกขึ้นมาถ้าซื้อของไม่จำเป็นเงินหดไปแล้วก็เงินหายไปของที่ได้มาเวลาจำเป็นจะต้องใช้เงินเอาไปขายก็ขายไม่ได้กี่ตำ ดังนั้นอย่าไปซื้อของต่างๆที่ไม่จำเป็นอย่าใช้เงินตามความอยากว่าจะทำให้เราเดือดร้อนในภายหลังถ้าเรารู้จักควบคุมการใช้จ่ายเงินทองชีวิตของเรานี้จะไม่เดือดรอ้อนจะมีเงินทองไว้จับจ่ายใช้สอยกับสิ่งที่จาเป็นเสมอแล้วก็จะมีเงินทองเหลือมาทำบุญ ยิ่งทำบุญได้มากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นไม่ทำบาปก็จะไม่มีความทุกข์นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสองสาวกท่านได้ประพฤติได้ปฏิบัติมาจนท่านมีที่พึ่งทางใจขึ้นมาที่พึ่งทางใจก็เกิดจากการกระทำของเราสามประการนี้ทำบุญละบาป แล้วก็กำจัดความอยากต่างๆด้วยการไม่ทำตามความอยากอยากไปเที่ยวก็เปลี่ยนใจอยู่บ้านดีกว่าอยู่บ้านแล้วมานั่งสมาธิทำใจให้สงบจะได้ความสุขมากกว่าออกไปเที่ยวนอกบ้านออกไปเที่ยวนอกบ้านเสียเงินเสียทองเสียเวลาแล้วก็ได้ความสุขเดียวๆพอกลับมาถึงบ้านความสุขที่ได้ก็หายไปหมดแล้วแต่ถ้าเราอยู่บ้านได้ทำ อยู่บ้านอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศฟังธรรมหรือนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้เราจะมีความสุขแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเกิดเสียทองนั่งกายของเราก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเสื้อผ้าก็ไม่ต้องไปซักพอออกไปนอกบ้านก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวกลับมาเสื้อผ้าก็โศกรปรกก็ต้องเอาไปซักอีกเนี่ยประโยชน์ของการ ชำระจิตใจนี้ดีกว่าการไปทําตามความอยากการทําตามความอยากนี้ไมไ่เรียกว่าเป็นการชำระจิตใจแต่เป็นการทําให้จิตใจสกรปรกมากขึ้นสิ่งที่ทําให้จิตใจของเราสกรปรกก็คือความโลภความอยากความโกรธความเหลงนี่แหละพอใจสกรปรกก็ทําให้ใจคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดี พอคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีใจก็มีแต่ความทุกข์แต่ถ้าใจได้ชรับการชำระอยู่เรื่อยๆด้วยการฝืนทำตามฝืนทำความอยากต่างๆเวลาอยากจะทำอะไรก็ไม่ทำความอยากก็จะน้อยลงไปและเวลาทำใจให้สงบความอยากความโลภความโกรธความหลงก็จะสงบตัวลงไปเหลือแต่ความสะอาดของใจ เหมือนกับน้ำสมัยก่อนนี้เวลาเขาจะใช้น้ำนี่เขาต้องไปตักน้ำจากในแม่น้ำซึ่งแม่น้ำนี่น้ำไม่สะอาดก่อนจะใช้น้ำได้นี่เขาต้องใช้สารส้มแกว่งมันก่อนพอแกว่งสารส้มแล้วของที่เป็นส่งสกปร ก, กก็จะตกตะกอนแยกออกจากน้ำทำให้น้ำที่ขุ่นนั้นใสขึ้นมา ใจิตใจของพวกเราที่ขุนมัวกันทุกวันนี้ก็ขุนมัวด้วยความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆแต่พอเราเอาสารส้มคือการนั่งสมาธิการเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธนี้มาแกว่งในใจเราเดี๋ยวไม่นานกิเลสตัณหาความโลภความโกรธ ค, ความหลงก็จะตกตะกอนแยกออกจากใจ ทำให้ใจนิสัยสะอาดบริสุทธิ์มีความสุขใจยิ่งสะอาดเท่าไรยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นนี่แหละความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสะอาดของใจไม่ได้อยู่ที่การมีความร่ำรวยมีข้าวของเงินทองมสงงีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีบุคคลนั้นบุก ค, คนนี้พวกเรามีกันหมดแล้วแล้ววิเศษไหมใจของเรามีความสุขไหม เลือกลับมาวุ่นวายมากขึ้นมีอะไรก็ต้องวุ่นวายกับสิ่งที่เรามีมีลูกก็ต้องวุ่นวายกับลูกมีสามีมีภรรยาก็ต้องวุ่นวายกับสามีภรรยามีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก็ต้องวุ่นวายไปกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองสู้ไม่มีดีกว่าสู้อยู่เฉยๆทำใจให้สง บ, บทำให้กิเลสตัณหาตกตะกอนลงไปดีกว่า แ้วนะถ้าเราอยากจะแยกตะกอนออกจากน้ําอย่างถาวรเราก็ต้องตักน้ําที่สะอาดเอกไปใส่อีกภาชนะหนึ่งนะแยกกันออกไปต่ อ, อไปใจของเราจะไม่มีไม่มีปัญหาจะมีแต่ความสงบมีแต่ความสะอาดวิธีแยกตะกอนออกจากน้ําก็คือใช้ปัญญาคอยสอนใจเตือนใจว่าอย่าทําตามความอยาก อย่าทำตามความโลภความโกรธความหลงเพราะจะทำให้ใจขุ่นมัวพอเรามีปัญญาเราก็จะแยกใจของเราให้ออกจากตะกรนที่ทำให้จิตใจเราขุ่นมัวได้พอต่อไปปัญญากาจัดตะกรนแยกใจออกจากกิเลสตัณหาได้หมดแล้วใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ไปตลอดมีความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด หนังแม้ร่างกายนี้ตายไปใจก็ยังมีความสุขต่อไปเพราะใจไม่มีวันตายไม่ตายตามร่างกายนั่นเองนี่คือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอริยสงสาวกทั้งหลายเป็นแบบนี้หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจของท่านก็ยังสะอาดบริสุทธิ์ความสะอาดบริสุทธิ์ของใจนี้ที่เราเรียกว่านิพพาน อนิพพานก็คือความสะอาดบริสุทธิ์ของใจใจที่ปราศ จ, จากกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความอยากต่างๆถ้าพวกเราเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาปฏิบัติเอามาเป็นแบบเป็นบัแบบเป็นฉบับแล้วปฏิบัติตามได้ต่อไปใจของพวกเหล่านี้จะมีแต่ความสุขไปตลอดจะไม่มีความทุก และไม่ต้องมีอะไรด้วยไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติเ้าของเงินทองไม่ต้องมีสามีพันไม่ต้องมีภรรยาไม่ต้องมีบุตรมีที่ดาไม่ต้องมีแม้แต่ร่างกายนะต่อไปพอร่างกายนี้ตายไปเราก็ไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหมนะ่ถ้าใจเราสะอาดบริสุทธิ์เราก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เหมือนอย่างที่เราเป็นกันอยู่นี้ น่าจะเป็นการต่อไปตามใดที่เรายังมีความโลภความโกรธความหลงมีความอยากอยู่ภายในใจของเราดังนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือเราต้องมาทําใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการทําความดีละการกระทําบาปแล้วก็ชำระใจด้วยการปฏิบัติทานั่งสมาธิเจริญปัญญารับรองได้ว่าไม่นาน ก็จะสามารถทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างสราระที่พึ่งทักใจด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติและสงสอนให้ปฏิบัติปฏิบัติตามพระอริยรสงสาง์แล้วเราจะได้ที่พึ่ง ที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาใจของเราไม่ให้มีความทุกข์เข้ามาเบียดเบียนเลยการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีวัฒนาตรายัยแลกบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ